อาตอนนี้อยู่ในความสงบ น, นนิี้นะคณะสัายาธิโยมลูกหลานพระสงจัดอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวานที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวอาหารล้นหลาๆๆมจริงๆเมื่อวานแต่ก็จัดเอาเอาเข้ามาประมาณสักเ0็ดจเอซจากนั้นก็ได้ส่งออกไปแต่ส่งออกไปหลวงพ่อก็จะมาคิดอีก ที่หลวงพ่อเป็นหัวหน้าเนี่ยทำถูกหรือเปล่านะเนี่ยเพราะสิ่งไหนก็ตามต้องทบทวนฮะทบทวนพอนทบทวนถึงน้ําใจของผู้ที่มานํามาถวา ย, ยถึงยังไงถึงจะไม่รับก้อยพระนั่งดูว่าอาหารผ่านไปต้องการอาหารประเภทไห น, นข่อยิบถ้าไม่งั้นก็ปล่อยปลอยผ่านผ่า น, ผ, านผ่านไปก็เสียเวลาไม่นาน แต่ถ้าว่าเรารับเอาหน่อยหนึ่งแล้วก็ส่งออกไปคณะศรัทธาญาติโยมผู้มีจิตใจหวั่นไหวได้ง่ายบอกโอ้เราเอาอาหารเข้าไปก็ไม่ถึงพระคุณท่านไม่ถึงครูบาอาจารย์ทั้งที่เราทำอาหารทั้งลูกทั้งหลานทั้งครอบทั้งครัวทาทั้งคืนทั้งวันอพอไปแล้วก็อาหารไม่ถึงพระสงฆ์อย่างน้อยก็ท่านให้ท่านได้ย นิดหน่อยก็ยังดีแต่นี้รู้สึกว่าอาหารยังไม่เข้าถึงท่านแลยส่งออกไปเลยแอบคล้ายๆกับว่าผู้ที่นําอาหารมาถวายก็แปล้วในใจแค่ถ้ามันแปลลวในใจมันกับบุญกุศลมันก็แหว่งไปแล้วทีนี้แต่จะให้พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ฉันหมดทุกคนเอามาอะไรก็ให้ฉันหมดมีร้อยคนก็ฉันร้อยคำเลยเดี๋ยวถ้าหากว่า ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ท้องแตกก็จะเป็นเรื่องยุ่งยากสําหรับพวกเราอีกเหมือนกันนั่นแหละนะเะพราะฉะนั้นใกล้พายต้องเย็บหรือว่าอย่างน้อยก็ให้ผ่านสายตาครูบาอาจารย์ก็ยังดียังเป็นที่อุ่นใจท่านจะเอาหรือไม่เอากระสุดแท้แต่อันนี้หลวงพ่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะนะักทาญาติโยมลูกหลานแต่ที่เราคิดถึงใจเขาใจเรานะสมัยหนึ่ง หลวงพ่อไปงานของหลวงปู่สุพัฒน์หลวงปู่สุพัฒนี่ก็เป็นลูกศิษย์หลวงตามหาบัวเนี่ยแหละตกเครื่องบินนะปีสองสามหลวงพ่ อ, อยังจำไม่ลืมมาทั่งทุกวันนี้ดูสิไกลขนาดไหนเนี่ยปีสองสามนะนะทีนี้ก็เขาก็ตัดเขาก็จัดแถวใส่บาทอย่างที่เนี่ยก็จัดไม่มีใครจัดเป็นระเบียบใช่ไหมล่ะท่านี่สับเปะสัปะชุดแท้แต่ใครจัดไปจุดตั้งอยู่จุดไหนฮะพอที่สุด ลัดหน้าลัดหลังหากระมังที่จะมาถ่ายเทยบาทก็ไม่ได้ทีนี้เพราะมันจัดไม่เป็นระเบียบใช่ไหมละ่ะข้าสองก็พอออกไปได้หน่อยหนึ่งมันเต็มบาทไม่รู้จะไปหาเอาถ่ายเทยบาทที่ไหนอย่างไรทีมันเต็มบาทแล้วก็เดินกลับมันเต็มบาทแล้วก็เดินกลับเออทีนี้ไอ้โยมกิมก่ายนั่งอยู่ไอ้ใส่บาทอยู่สุดท้ายเลยเขาเตรียมพร้อมน เ, เอยเขาเตรียมพร้อมเขาตั้งโต๊ะยาวเลย คูบาอาจารย์ไปไม่ถึงทีงนี่ยโยมเกี่ยวขายเขาก็ไม่มีหมักโหละอย่างเงี้ยเขาก็ตะโกนอย่างแรงน่อยเขาบอกว่าคูบาอาจารย์เอ้ยมาถึงบินทบบาทให้ถึงพวกผมด้วยเทินเหมือนกันก่อนที่จะมาใส่บาตรก่อนที่จะเตรียมอาหารมาใส่บาตรเตรียมตั้งแต่ทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่เมื่อวานไปซื้ออาหารจากนั้นก็เตรียมทั้งวัน แล้วก็เมื่อคืนเกือบเตรียมทั้งคืนเกือบไม่ได้นอนอครูบาอาจารย์จะมีเมตตาเดินมาอโปรดถึงมาให้รับบิณฑบาต ท, ที่ตรงนี้ไม่ได้บ้างแล้วกันขอที่มนรคครูบาอาจารย์มารับบิณฑบาตถึงที่ด้วยไหมก็หลวงพ่อได้ยินหลวงพ่ อ, อจริงว่าก่อนที่จะทําอาหารมาถวายพระสงฆ์น่ไม่ใช่ว่าจะทำได้ไ ง, งา่าย ทั้งครอบทั้งครัวทั้งลูกทั้งหลานที่ช่วยช่วยกันจัดทําอาหารนไม่ใช่อาหารอย่างเดียวอาหารมีหลายหลายหลากรสะรากรสอืมเพราะนั้นเวลาศรัทธาญาติโยมนํามาถวายควรจะให้ผ่านผ่านผ่านผ่านหลวงพ่อว่านะเพื่อจะให้เป็นที่สบายใจสําหรับศรัทธาญาติโยมผู้ที่นํามาถวายอันนี้ก็ขอฝากไว้กับพวกเรา ท, ทุกทุกท่านนะ แอบฝากไว้กับพวกเราทุกท่าน <c oughs> แล้ววันนี้เป็นวันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดวันนี้หลวงพออ่อจะได้กลับอุดรแต่แต่ไม่รีบไม่รีบกลับเพราะว่าถ้ารีบกลับไปก็จะไปแก ล, ว, แกลวอยู่ในอุดรไม่รู้จะไปพักที่ไหน วันนั้นบ่ายวันนี้บ่ายสามโมงยสิบห้านาทีเครื่องบินจะออกจากดอนเมืองอพอไปถึงอุรานก็ประมาณสักบ่ายเกือบสี่ห้าโมงเย็นพอเสร็จแล้วก็เดินทางไปวัดหลวงปูป่บุญมีปริปุนโนที่เป็นพระเถระที่เป็นลูกศิษย์องหลวงตาเป็นพระผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้ก็คือหลวงปูป่บุญมีนะใหญ่สุด หลวงปู่ลีเป็นองค์ที่สองนะหลวงปู่บุญมีเป็นองค์ที่หนึ่งวันเกิดของท่านเย็นนี้แหละเย็นวันที่หนึ่งจะมีการสวดมนต์สวดพระปริตตมงคลแล้วก็คงจะมีแสดงธรรมเทศนาหนึ่งกันจะเป็นองค์ไหนก็ยังไม่ทราบนะถ้าหลวงปู่ไทยไปก็คงจะหลวงปู่ไทยเป็นองค์แสดงธรรมจากนั้นก็วันที่สองเชา้าพระสงฆ์จะบินเทป่ า, ปา ท, ที่ วัดป่านาคูลหลวงปูป่บุญมีแบบปีที่แล้วก็มีคนเยอะนะเพราะนั้นขอบอกกล่าวคณะสั า, า ญ, ญาติโวงผู้ที่จะไปร่วมบุญร่วมกุศลวันเกิดของหลวงปูป่บุญมีที่เป็นพิชายใหญ่ของพระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงตาก็ไปได้นะนีะ่แหละหลวงพ่อก็คงจะได้ขึ้นไปวันนี้ก็คงจะไปในงาน แล้วก็พอสวดพระปริตตะมงคลเสร็จเรียบร้อยก็คงจะกลับถึงวัดสามสี่ทุ่มวันนี้นะอะนี่แหละเป็นวันที่หลวงพ่อจะได้ขึ้นไปในงานเมื่อคือนนี้หลวงพ่อได้มาอนำคณะสัทธายาดโยมลูกหลานไหว้พระสวดมนต์แต่หลวงพ่อได้กล่าวเมื่อคือนนี้กล่าวเรื่องเออ ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาตอนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานหลวงพ่อพูดได้ยาวนะเมื่อคืนในทางว่าผูดด้ใดสนใจอยากจะฟังในเฟซบุ๊กนะหลวงพ่อยินถวายวัดปา่านาคําน้อยกดเฟซบุ๊กลงหลวงพ่อกระทันสมัยพอสมควรนะลูกหลานนะแต่นน้ก็เปิดได้เลยฟังได้เลยเมื่อคืนในหลวงพ่อเทศอะไรนะก็หลวงพ่ออ้างเหตุผลหลาย ลหลายๆแนวทางให้กับคณะศรัท ธ, ธาญาติโยมได้ฟังแต่ตามความจริงเฟซบุ๊กของหลวงพ่อเนี่ยหลงพ่อก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะเออคือเดี๋ยวนี้ทางทางรัฐบาลเนี่ยเขาอยากจะให้สายใยแก้วเนี่ยไปทุกโรงเรียน ท, ทั่วประเทศแต่นี้เขาก็ผ่านหน้าวัดของหลวงพ่อไปพ่อผ่านหน้าวัดเขาก็ถามว่าหลวงพ่อจะเอาเข้าวัดไหมสายใ ย, ยแก้วเนี่ย หลวงพ่อก็บอกอืหลวงพ่อทราบจทราบข่าวว่ามันเป็นพิษภัยนาอมันเป็นดาบสองคมนายเลือกสื่อต่างๆเนี่ยนะเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็ดูมันกันนะเราเป็นพระกรรมฐานนะเดี๋ยวก็จะเอาเรื่องอะไรต่อเมี่อะไรเข้ามาสู่วัดวาศาสนาคงจะไม่ดีมั้งแล้วหลวงพ่อก็เรียกประชุมพระเหมือนกันนะนะพระผู้ใหญ่ในวัดเพราะว่า เป็นข้าราชการเก่าก็มีท่านเป็นถึงรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยก็มีเป็นคณะบดีก็มีและก็เป็นนักกฎหมายก็มีเ่หลวงพ่อก็เรียกเข้ามานิโมนท่านเขามาประชุมพวกท่านทั้งหลายจะรับได้ไหมที่เนี่ยใหญ่แก้วที่จะออกเป็น Facebook ออกไปเนี่ยถ้าพวกเราท่านทั้งหลายพวกผมอยู่นะผมก็ไม่ว่า แต่จะให้หลวงพ่อไปควบคุมหลวงพ่อไม่ไหวอายุถึงขนาดนี้แล้วจะนำพิษภัยเข้ามาสู่วัดวาศาสนานี่บางทีกันน่ะเรื่องสับ ป, ปะดนเรื่องมีอะไรต่อมีอะไรเรื่องโลกวันวัตะสงสารมีมากต่อมากเพราะนั้นขอให้พวกท่านทั้งหลายควบคุมดูแลคล้ายๆว่าพระเล็กพระน้อยไม่ต้องให้เข้าไปเอาแต่ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องเข้าไป ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าพวกท่านทั้งหลายควบคุมอยู่ผมไม่ว่าแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะหยุดนะอย่าทำํานำนําเข้ามากับเป็นเรื่องสังหารพระเนนมันไม่เกิดประโยชน์เสียหายอีต่างหากเนี่ยหลวงพ่อก็ได้บอกที่เอาของสิ่งไหนเข้าไปในวัดนะจากท่านพระทั้งหลายก็เอารับจะรับดูแลหรือเอา จากนั้นเขาก็เลยเป็นเฟซบุ๊กออกมาเนี่ยประมาณสักสองอาทิตย์ยนะี่นะมั้งคณะสทาน ญ, ญาติโยมทางความผู้ใดอยากจะฟังหลวงพ่อพูดอย่างวันนี้นะขณะนี้นะ่บางทีพระถนัดอาจยาะออกก็ได้นะแล้วก็เป็นเรื่องราวให้พวกเราได้ฟังนะประจำวันนะแล้วก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อคืนนี่นะว่า ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาความเป็นมาของพระหลักพันธรรมวินัยเราจะไปพูดรวบลัดเอาทีเดียวไม่ได้หลวงพ่อว่านนะพุกพวกวันนี้นะแต่ถึงยังไงก็าตามนะหลวงพ่อเองอยากจะเน้นหนักคณะสิทธิอนุสิทธิขององค์หลวงตาของเราเนี่ยหออลวงตาที่สิ่งไหนที่ทันที่มีประโยชน์ต้องตาพาธรรมและหละ่ะคณะสัตยาธิโยมลูกหลาน ถ้าสี่งไหนล้งตาไม่พาทหล้มตาไม่แนะนำเนะ่ะพวกเราอย่าไปเดินเอออย่าไปกระโดดโลดเต้นเออมันจะเหมือนกับอะไรลิงไวเอพอพะพบไม้ผูกเนะลิงไวพบไม้ผูก ท, ทําไมจังหวะลิงไวพบไม้ผูกลิงแต่เนะี่ยพอเห็นนั้นกระโดดหน้ากระโดดหลังมันไวกว่าเพื่อนนะ่ะแล้วก็ไปโดดโดนไม้เออที่มันกิ่งไม้ที่มันผูกนะ ผลที่สุก็จะตกลงมาตายนี่ก็เหมือนกันนะั่นแหละสิ่งไหนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเไม่พาดําเนินไม่พาทำให้พวกเราคิดเอ๊ะ อ, อันนี้มันถูกหรือเปล่าที่ท่านอธิบายอย่างนี้ท่านพูดอย่างนี้องค์หลวงตาท่านพันไม่ได้พูดนะอย่างนี้นะให้พวกเราเกลับมาเอาทำคําสอนขององค์หลวงตาเนะี่ยเป็นกระจกเงาพวกเราจะไม่เดินจะไม่หลงทางนะ แต่ถ้าว่าพวกเราเห็นเขาแนะนําอย่างไรก็ของอะไรขึ้นมาแปกใหม่อภินิหารอย่างนู่นอภินิหารอย่างนี้พุทธวจนะอย่างนู้นพุทธวจนะอย่างนี้พระบาลีอย่างนั้นพระอัตถกถาอย่างนี้พลังอย่างนั้นพลังอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ให้พวกเราหลวงตาเคยสอนหรือเปล่าหลวงตาเคยแนะนําหรือเปล่า ถ้าลงตาไม่แนะนําพวกเราให้ชกคิดหยุดซะก่อนเออต้องชกคิดหยุดซะก่อนต้องดูฮะเอออย่าไปอย่าพ่งอยาไปยกย่องอย่าไปถลําให้ฟังไว้ก่อนว่านี่ลงตาของเราที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นทั้งฝ่ายปริยัติธรรมได้เป็นมหาเออทั้งฝ่ายปฏิบัติท่านก็มั่นใจว่าเรานี่คือพระหรหัตเออพระหรหัต หมดจดจากกิเลสแล้วในใจเนี่ยท่านได้ทั้งสองอย่างทั้งปริยัติ ด, ด้วยทั้งปฏิบัติ ด, ด้วยเพราะนั้นพวกเราเป็นศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาสิ่งไหนก็ตามที่หลวงตาไม่แนะนําไม่บอกกล่าวไม่สั่งสอนนะให้พวกเราจดฝังจดฝังแล้วก็เอาธรรมเทศนาขององค์หลวงตามาเปรียบเทียบและให้พวกเราอีกอย่างหนึ่งนะ ให้พวกเราคิดดูธรรมเทศนาของหลวงตาที่ทรมาเล็กิดของท่านเนี่ยกับองหลวงตานี่นะถ้าเราจะไปเปรียบเทียบกับพระไตรปิฎกนะจะเปรียบเทียบในมุมไหนเรื่องอะไรเนะี่ยเข้ากันได้นะข้าทาย ญ, ญาติโยมลูกหลานแต่สิ่งไหนที่เข้ากันไม่ได้หลวงตาก็บอกเป็นในบอกเป็นในว่าเอออันนี้ไม่มีในะพระไตรปิฎกนะแต่ว่ามันเข้ากันได้นะอย่างที่หลวงตาบอกว่านะ ปัญญาอบรมสมาธิเนะี่ยปัญญาอบรมสมาธิไม่มีในพระไตรปิฎกแต่บอกว่าสมาธิอบรมปัญญาศินอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาเมื่อปัญญาพิจารณาวิเคราะห์แล้วก็อ น, นี่แนหะวิมุตติญาณทัตนะก็เกิดขึ้นนะอันนี้ก็คือเป็นตามขั้นตอนอย่างนั้นแต่หลวงตาเนะี่ยพูดใหม่ว่าปัญญาอบรมสมาธินะ พนดีฝ่ายปริยัตท้งหลายเอหมู่พวกเพื่อนที่ฝ่ายปริยัตทางหลายเขาก็เอกมหาปัวเนี่ยเดินออกนอกลูก่นอกทางหรือเปล่า เ, เอทําไม่เพียงว่าปัญญาอบรมสมาธิมันมีแต่สมาธิอบรมปัญญาเนี่ยแต่เน่ยลงตาก็ให้เหตุผลนะเนี่ยลงตาให้เหตุผลว่าคําว่าปัญญาอบรมสมาธิเนี่ย เมื่อเรานั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทมันมีแต่แสวบหน้าแสวบหลังมันเอาไม่อยู่มันชอบคิดเออมันมันออกไปเอาไปอยู่เอาใช่ความสงบไม่อยู่เนีพราะอะไรมันปุ่งมันฟุ้งท่านบอกว่าเอาถึงมันจะฟุ้งก็ให้มันฟุ้งสิให้พิจารณากายเออให้มันอยู่ในกายแล้วมันจะฟุ้งไงมันท้องเห็นผม เจสาผมโลมาขนนขาเล็บทันทาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเออจากนั้นไล่กระโหลกศีสระเออกระโหลกในร่างกายของเรามีกระโหลกศีรษะมีโครงสร้างคือกระดูกเออกระดูกกระโหลกศีรษะกระดูกกระโหลกขากรรไกรเอกระดูกฟันกระดูกคอเป็นป้องป่องเป็นข้อคออกระดูก หายปาละกระดูกแขนกระดูกข้อซอกกระดูกแขนเนี่ยป้องล่างชั้นล่างมีสองสี่จากนั้นกระดูกฝ่ามือเออเรีกกระดูกข้อมือกระดูกฝ่ามือกระดูกนิ้วมือเออเป็นข้อข้อกระดูกข้างขวาและกระดูกข้างซ้ายจากนั้นลงไปกระดูกชี้โค้งกระดูกสันหลังกระดูกเชิงกานกระดูกขากระดูกเข่ากระดูกแข้งมีสองสี่ กระดูกขวาเท้าข้างขวาจากนั้นกระดูกไล่ลงไปกระดูกข้างซ้ายไล่กระดูกเนี่ยอันนี้แหละคือว่าปัญญาคือใช้ความคิดถ้ามันจะคิดมันจะปรุงให้มันคิดอยู่ในกายยานครอยู่ในกายของเราให้เห็นกระดูกของของเราทุกส่วนในเมื่อเห็นกระดูกท่อนไหนที่มันชัดเจนหลวงตาบอกว่าเห็นกระดูกท่อนท่อนไหนที่มันชัดเจนเห็นกระโหลกศีสันหรือว่าเห็นกระดูกหลัง แล้่ว่าเห็นเนื้อหรือว่ากระดูกเนื้อส่วนไหนเรื่ออันไหนหนังส่วนไหนที่ชัดเจนในความรู้สึกนั่นแต่ลุงตาท่านบอกว่าเราสําหรับเรานะเราดูแผ่นหลังของเราเออพอแผ่นหลังของเราพอกําหนดถึงแผ่นพอหลังของเราเนี่ยถลกหนังออกถลกหนังหลังออกไปนี่รู้สึกมันแดงเถือ่อนทันวันนะเออมันเต็มเป็ น, ป น, ปนไปด้วยเลือดเห็นได้ชัดนี่แหละ แต่สำหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อเห็น ก, กะโหลกศีรษะของตัวเองเห็นได้ชัด <envision> พอเห็นจุดไหนได้ชัด ก, กําหนดอยู่จุดนั้นทีนี้ดูจุดนั้นไม่ให้มันไปทางอื่นไม่ให้มันทะเลไหลไปทางอื่นถ้เห็นกระดูกหลังให้เห็นแผ่นหลังกําหนดอยู่ที่แผ่นหลังจดจอหยุดจุดนั้นจะว่าแพ่งก็ใช่จะว่ากําหนดให้รู้เฉพาะจุดก็ใช่ถ้าเราเห็นก ร, กระโหลกศีรษะเราก็ ก, กําหนดดูกะโหลกศีรษะให้เห็นชัดเจนในกะโหลกศีรษะนั้น จากนั้นใจของเรามันเป็นหนึ่งได้เลยมันจะรวมเพิ่มจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งได้นี่แหละอันนี้เราปัญญาอบรมสมาธิคือใช้ปัญญาเพราะเอาไม่อยู่มันปุ่งมันฟุ้งเพราะนั่นต้องให้มันฟุฟง้งฟุ้งแต่จะให้มันออกนอกลู่นอกทาให้มันอยู่ในกายยนครในร่างกายของเราเนี่ยนะในเมื่อเราเห็นชัดในจุดไหนเราเอาจิตกาหนดจุดอยู่ในจุดนั้น พอจิตนั้นจิตใจของเราจะรวมสงบน่งนะเราจะเห็นได้ชัดเลยท่านะกายกับใจกายใจกับกายจิตจะรวมเป็นอัปปนาสมาธิได้อันนี้เราปัญญาอบรมสมาธินะในองค์ลูกตาที่ท่านสอนจากนั้นเมื่อจิตสงบแล้วนะนำมาพิจารณาทางด้านปัญญานะปัญญาแบบนีพิจารณาดูอย่างเก่านะั่นะพิจารณากายอย่างเก่าพอพิจารณากายอย่างเก่าเข้ามาถึงใจใจคือผู้รู้เนี่ย เราไปหลงร่างกายใช่มไม้ใจอใครเข้าไปสอนใจแล้วนะั่นเองใจสอนใจแตนะ่เอาสติปัญญามาสอนใจก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจก็หลุดพ้นจากอาสวักิเลสมันหลงอะไรกายอมันหลงอะไรขนาดร่างกายตัวเองยังไม่ใช่ตัวตนของเรานะกายนะใจนะอีกสักวันหนึ่งเขาเอาไปเผาไฟทิ้งนะใจนะ่ะบอกถามใจตัวเองนะ แล้วทีนี้ขนาดร่างกายตัวเองยังไม่ใช่ตัวตนของเราละ่ะทรัพย์สมบัติส่วนอื่นละ่ะยศถาบรรดาศักละ่ะ เ, เกียรติยศชื่อเสียงละ่ะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงละ่อละอมรดกดินเงิ น, งนคําทรัพย์สมบัตเิเลือกสวนไล่นาละ่ะจะเป็นของเราได้อย่างไรขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเรายังไม่ใช่ของเราสิ่งเหล่านั้น เราจะไปยึดไปถือว่าเป็นของเรานะใจนะมองถึงใจเมื่อใจรู้แจ้งเห็นจริงใจก็ปล่อยวางที่ใจใจไม่ยึดมั่นใจรู้แจ้งเห็นจริงใจก็เบื่อหน่ายคลายใจก็หลุดพน้นนิพพิธาคือความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากอาสะวะกิเลสได้ง่ายนะนี่แหละการส่องแสวงหาธรรมด้วยการพิจารณาธรรมนะพระนสทธาญาทโยมให้เอาแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาของเรานะ เป็นกระจกเงาอย่าหลงทางนะให้เราศึกษาให้ดีแนวปฏิปทาของท่านพวกเราจะเดินสู่จุดหมายปลายทางคนอื่นพูดก็พูดไปอย่างงั้นแหอะถ้าพูดไปแล้วนะ่ยคนที่พูดนะ่ยภูมิเป็นยังไงฮต้องดูรภูมิเป็นยังไงอรับรองได้ละอย่าง เ, เป็นพูดหลุดพ้นละอย่างสิ่งเหล่านี้เราต้องได้คิดตึงเครื่องเราจะไม่พูดออกปากเขให้เรา ค, คิดอยู่ในใจนะ หลวงพ่ อ, อยังพูดเมื่อคืนในว่าขนาดพระอรหัน500รูปที่ประชุมอยู่ที่ถ้าสัตบรณฑคูหาที่กรุงราชคฤห์ที่ประชุมสังขารนาครั้งแรกขนาดพระอรหันแตกฉานในปฏิสัมพิทายานเหอเหินเดินฟ้าได้จากนั้นความคิดก็ยังไม่เหมือนกันความคิดยังไม่ตรงกันตรงที่ว่า ดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายหมู่น้องนุ่งทั้งหลายพระมหากรัชพะเราควรจะถอดถอนอาบัติเล็กน้อยอาบัติยุมหยิมนะ่ะพวกท่านสมควรจะถอนอยังไงเออพวกชาวนาก็ว่าเออเสกิี ย, ยวัตรนี่ถอนหมดไอพวกกษัตริย์โอ้ไม่ได้ก็ได้ถอนได้ยังไงเอ็นี่มารยาทเออเราเป็นสากยาบุตรพุทธถ้าชินโนรถเป็นลูกของพระพุทธเจ้าต้องมีมารยาทในการอยู่การกินจะไปกินแบบมูมามได้ยังไง เราจะไม่ฉันดังจับจับเราจะไม่ฉันดังสูดสู้เราจะไม่ฉันเลียมือเราจะไม่ฉันเลียริมฝีปากเราจะไม่โยนคําข้าวเข้าปากเราจะไม่ฉันทํากับฟงแก้มให้ตุยเมื่อคําข้าวอยู่ในปากเราจะไม่พูดไออันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นมรยาธิที่ดีเอาออกไม่ได้ไอพระสงฆ์ก็ถกเถียงกันก็ที่สุดพระมาหากัะสปะเทระที่เป็นประธานสงฆ์เออถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าเราจะถอนชิคคาปวด นั้นชิกขาบทนี้เนี่ยมันจะเป็นรุ่มรุ่ ม, มดอนดไม่ไม่สม่ำเสม อ, อผมเห็นว่าควรจะคงไว้ทั้งหมดดีไหมเพราะพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้แล้วก็เพื่อปกครองส่งเพื่อความร่มเย็นร่มเย็นเป็นสุกต่อส่งถ้าเราไปถอนออกไปถึงจะไปถอนอชิกขาบทนั้นชิกขาบทนี้มันจะรุ่มรุ่มดอนๆอนไม่สม่ำเสมอ เพราะนั้นไม่เหมาะสมที่จะถอนเพราะนั้นขอให้คงไว้ตามเดือนคงไว้ตามเดิมดีไหมนี่พระมหากระจละเสน่หนะ์สงฆ์ทั้งหลายจะทาบทุกเห็นด้วยไม่ควรจะถอนในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้แหละพวกเราคณะสัตวทาญาติโยมลูกหลานเนละ่าฟังเอาไว้อันนี้แหละคือมาในพระไตรปิฎกที่ท่านได้บอกได้กล่าว อ่ะตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร น, น, นัตนีเนะวันนี้พวกเราจะได้แยกย้ายกันหลวงพ่อก็เลยพูดยาวไปสักหน่อยหลวงพ่อจิรวัตรก็คงจะหิวข้าวพรแรงกันมั่ง